านางวิสาขาทำไมจึงชื่อว่ามิขารมาดามิขารมาดาเนี่ยนะก็เพราะว่ า, าคำว่ามิขารเศรษฐีเนี่ยเป็นชื่อของพ่อสามีนางวิสาขานะทีนี้เนื่องจากว่านางวิสาขาเนี่ยหันหน้าท่านเศรษฐีผู้เป็นพ่อสามีเนี่ยให้ฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบัน มิคารเศษฐีคนนี้เนี่ยรักลูกสะใภ้คนนี้มากแต่งตั้งให้เป็นแม่เลยรักเหมือนแม่เคารพนางวิสาขาถือว่าให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งแม่ก็จะเรียกแม่ทุกคำทุกคาเนี่ยนะก็เลยนางวิสาขามิคาระมาดาแม่ของมิคารเศษฐีแม่ของพ่อหัวอีกทีหนึ่งนะทีนี้นางก็เขินนะนางก็อายพันได้ลูกชายคนแรกมาก็ตั้งชื่อว่ามิคารเหมือนกับตาเหมือนกับปู่ ก็เลยอะไรหมายเขาว่าเป็นชื่อของลูกแท้ๆจริงๆก็เลยเรียกว่ามิขารมานดาเนี่ยนะมิขารมานดาก็เรียกว่าเป็นแม่ของสามีด้วยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพ่อสามีเนี่ยเคารพนางเหมือนกับแม่จริงๆเลยเพราะอะไรเพราะหันหันนางเนี่ยหันมิขารเสฐีจากมิจฉัทิฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิช่วยจากเปรความเป็นปุตุชนให้เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะแล้วก็เป็น ได้ลูกสะพายที่ดีมีคุณสมบัติเพีงรักเหมือนแม่เนี่ยนะก็เคารพมากเหมือนแม่พระพุทธเจ้านั้นก็ไปประทัะทบพักกลางวันที่มิขารมานดาปราสาทเนี่ยนะเรียกว่าปฏิสัลานาวุธิโตพระองค์ก็ไปอยู่ในปราสาทนั้นในปราสาทนั้นเนี่ยเขามีห้องอันทรงศิริสําหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรงกลางเนี่ยนะห้องกลางนี้เป็นห้อง พระพุทธเจ้าห้องอันทรงสิริซ้ายขวาสําหรับพระอัครสาวกอั น, นห้องพระสารีบุตรอยู่ข้างขวาห้องพระโมคคัลลานะอยู่ทางซ้ายห้องพ ร, พ, พระพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางพระอนนุเทระเปิดถวาวรอันนั้คือเปิดประตูเข้าไปปัดกวาดภายในนำํำชักนําเอาซากมาลาดอกไม้จัดเตียงต่างเป็นต้นเสร็จแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเข้าไปพัก พระศาสดาเสด็จเข้าสู่ห้องอัมเป็นสิริพระองค์ก็มีสติสัมปชัญญนะดํารงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะศาธกะสัมปชัญญะก่อนเนี่ยนะพระองค์ต้องนอนเนี่ยนะสีห์สายาเนี่ยพระองค์คําหนึ่งลวหนึ่งสาถกะสัมปชัญญะสองโคจรสัมปชัญญะสามสัปปายะสัมปชัญญะสี่อะสัมโมหะสัมปชัญญะแล้วก็บรรทมสีห์สายาโดยพระประรักเบื้องขวา อย่าลืมว่าคนืนวันวันหนึ่งจริงๆแล้วพระองค์ใช้อิริยาบถนั่งกับยืนเป็นส่วนใหญ่พระองค์อยู่ในอิริยาบถนอนวันหนึ่งไม่เกินสามชั่วโมงนะรลางคืนนี้อยู่แค่2ชั่วโมงเองหรืออาจจะชั่วโมงเศษเศษเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหลังจากฉันเสร็จพระองค์ก็ตะแคงเนี่ยนะเรียกว่าสีหาสายญาตตะแคงข้างขวาสักเล็กน้อยเนี่ยนะเพื่อให้ร่างกายเป็นไปใน อริยาบถ ท, ทั้ง4ไม่งั้นเดี๋ยวก็โรคภัยทั้งหลายก็เบียบเดเบียนนะนั่งเกินไปก็ป่วยเร็วนอนเกินไปก็ป่วยเร็วยืนเดินเกินทุกอย่างถ้ามันเกินไปมันเสียหายทั้งนั้นแหละท่า น, นพระ อ, องค์ก็บริหารร่างกายให้เป็นไปได้อย่างผาสุกหลังจากที่พระ อ, องค์นะประเสด็จประทับศีหัสายาธโดยพระปัะดเบื้องขวาระงับความโกรนกวายเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็ลุกขึ้นประทันะะบนะนั่งเข้าพระสมาบัตินะนั่งเข้าพระสมาบัติ เข้าพระสมาบัติก็คืออะไรเข้าอารหัตผลสมาธินั่นเองเนี่ยนะก็คือเจริญวิปั ส, สนาในกรรมฐานเราได้เราหนึง่งเจริญอนุปั ส, สนาเสร็จก็เข้าพระสมาบัติมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในระดับฌานที่สี่เนี่ยนะอยู่ด้วยฌานที่สี่เข้ามีนิพพานเป็นอารมณ์เข้าพระสมาบัติไปทีนี้ก็ถามว่าอยู่ในพระสมาบัติหลายชั่วโมงไหมบอกอยู่หลายชั่วโมง หลายชั่วโมงด้วยกันเนี่ยนะจนอะพอเข้าพ ร, ราสมาบัตดออกจากพ ร, ราสมาบัตดเวลาบ่ายบาย่เสร็จแล้วพระองค์ก็ตรวจ ด, ดูอัธยาศัยของสรัรพพสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นโดยปกติตรวจ ด, ดูอัธยาศัยเนี่ยนะเรียกว่าเจริญแผ่พุทธจักสุเนี่ยนะแผ่ตรวจ ด, ดูมูสัตว์ในโล ก, กธาตุอันหาที่สุดไม่ได้เนี่ยประมาณวันละสองครั้งเช้ามืดครั้งหนึ่ง นะว่าช่วงเช้าวันนี้พระองค์จะต้องไปโปรดใครไปสงคปเคราะห์ใครไปเกื้อกูลแกเทวดาและมนุษย์เหล่าใดที่ใดแล้วก็อย่างไรผู้ที่จะบรรลุมรรคผลเป็นต้นเนี่ยเป็นอย่างไรตอนบ่ายก็เหมือนกันหลังจากให้พระองค์เข้าพร ะ, ะสมาบัติเสร็จแล้วพระองค์ก็จะเจริญการุณาสมาบัติยานเนี่ยนะเจริญการุณาน้มไปเพื่อหวังที่จะช่วยปลดเลื่องสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์พระองค์ก็แผ่พุทธจักสุ ตรวจดูผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยนะอัธยาศัยดีอัธยาศั ย, าายเลวเป็นต้นหรือผู้ที่เขาพอจะบรรลุมรรคผลได้ก็จะมีผู้ที่เข้ามาสู่ข่ายพยานของพระองค์พระองค์ก็จะรู้แล้วว่าพระองค์ตอนตั้งกระบายไปจนถึงดึกดืก่นเนี่ยพระองค์มีกิจที่จะต้องทําอะไรบ้างเนะี่ยก็มีการตรวจมันพระองค์ก็พอบ่ายพระองค์ก็รู้ว่าพระองค์ต้องไปแสดงธรรมให้พระภิสุประมาณ500รูปฟังที่ ที่ไหนอาสมของรำมะกะพราหมณ์ะนะอาสมของรำมะกะพรามณ์พระองค์ก็เลยอ่านิไปส่งน้ําก่อนไปส่งน้ําก่อนทีนี้ท่านเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าไปส่งน้ําที่ไหนที่ท่าน้ําปุกพระโกรกะท่าน้ําปุกพระโกรกะอัตถกาหน้า4 3ิบเล่าเล่าว่าในกรุงสาวถีเนี่ยนะ พูดถึงเมืองวัดเชตาวันก่อนวัดเชตาวันเนี่ยบางคราววัดก็ใหญ่มากตรงบริเวณวัดเชตวันเนี่ยบางคราววัดก็เล็กพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเนี่ยพื้นที่วัดขนาดหนึ่งโยชต์ก็ประมาณเนื้อที่16กิโลเมตรโดยรอบเนี่ยนะไม่ไม่พูดกันไร่เนี่ยนะรัศมี16กิโลเมตรคูณ16กิโลเมตรเนี่ยนะก็คํานวณดูว่าพื้นที่กี่กี่ตารางกิโลเมตรอนะ สิบกคูณสิบเท่าไหร่นะนั่นแหละพื้นที่วัดใหญ่ขนาดนั้นนะสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีพื้นที่ขนาดสขมาวุธนะนะพื้นที่สิบสอกิโลเมตรโดยรอบนะรัศมีสิบสอกิโลเมตรสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูก็รัศมีประมาณ8ดกิโลเนี่ยนะพื้นที่วัดเนี่ยใหญ่แปดกิโลหมาใครเดินรอบวัดก็หมดวันแน่นนะสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะก็ประมาณหนึ่งคาวุธก็พื้นรัศมีประมาณ สกิโลเนี่ยนะพื้นที่วัดประมาณ4กิโลพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคามณะพื้นที่วัดประมาณครึ่งขาวุฒครึ่งขาวุธก็ประมาณ2กิโลสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะก็ประมาณ20อุสภะก็ประมาณรัศมี1กิโลเนี่ยนะพื้นที่วัดประมาณ1กิโลส่วนสมัยพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระนามว่าโคดมเนี่ยนะสมัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพื้นที่ประมาณ8กรีดเนี่ยก็พื้นที่ประมาณสัก เยอะกันนะเป็นร้อยร้ยไร่อะนะเป็นร้อยไร่เลยแหละพื้นที่เป็นร้อยรอย้ไร่อะทีนี้ถามว่าไอ้ repeat, แล้ววัดไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ทําไมพระพิสุอยู่กันได้เยอะแ ย, ยะบอกว่าพระพิสุอาศัยนอนเฉยๆที่ที่วัดเชตวันส่วนกลางวานันพระพิสุทั้งหลายไปพักอยู่ที่ป่าอันทวันเพราะวัดเชตวันเนี่ยอยู่ติดกับป่าอันทวันพื้นที่ป่าอันทวันเนี่ยพื้นที่หลายพันไร่อยู่แล้วทั้นกลางวานันพระพิสุทั้งหลายไปหลีกเร่นอยู่ที่ป่า อันธว mm ั hmm. นเน mm ี hmm. ่ยนะท่านฉพาะที่นอนเฉยๆที่วัดเชตวันทีนี้วิหารเนี่ยนะวัดวัดเชตวันเนี่ยโดยพื้นที่เนี่ยบางครั้งอยู่ทิศตะวันออกของเมืองสาวถีบางครั้งก็อยู่ทางทิศใต้บางครั้งก็อยู่ทิศขออภัยตัววัดเนี่ยอยู่ตรงกลางแต่ตัวเมืองนี่ไม่แน่บางครั้งเมืองอยู่ทิศตะวันออกของวัด บางครั้งเมืองอยู่ทางทิศใต้บางครั้งเมืองอยู่ทีต่ตะวันตกบางครั้งเมืองนี่อยู่ในทิศเหนือในพระคันทกุตีเนี่ยนะพระกุติคันทกุตีคือกุติของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่วัดพระเชตวันเนี่ยประดิษฐานแทแแแ่นเตียงมีสี่ขาใช่ไหมที่ตั้งขาเตียงเนี่ยคือที่เดียวกันของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถือว่าเจติยสถาน เจติยสถานที่สแห่งเนี่ยจะต้องเป็นแห่งเดียวกันมันเตียงที่ตั้งเนี่ยนะที่ซ้อนเท้าเตียงกับเท้าเตียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะจะเหมือนกันทุกพื้นที่นะโดยเฉพาะที่เชตวันะนะส่วนสถานที่ปกติที่เป็นสถานที่เดียวกันที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็ใช้สอยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็ใช้สอยพระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปก็จะใช้สอยสถานที่ตรงนั้นหนึ่งมหาโพธิบาลัง สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสถานที่เดียวกันดังนั้นใครที่ไปไหว้โพธิบัลลังก์เนี่ยนะระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เคยตรัสรู้มาแล้วในอดีตเนี่ยนะพื้นที่ตรงนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าพัฒนามว่าวิปัสสีสิกีเวสภูกะกุสันทะโกนาขมานะ พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะก็ประทับตรัสรู้ตรงนี้พระพุทธเจ้าของเราก็ประทับตรัสรู้ตรงนี้พระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปคือพระสีอรยะเมตไตรพระองค์ก็จะประทับตรัสรู้ตรงนี้เนี่ยนะตรัสรู้สัมโพธิญาณพระโพธิญาณเหมือนกันเนี่ยนะการตรัสรู้เหมือนการการพิจารณาธรรมะก็เหมือนกันแต่นนคนละยุ ค, คนละสมัยนะก็ก็เหมือนกับว่าแหมมันห่างกันมากนะห่างจนลืมอ่ะ แม้แต่ชื่อยังไม่ได้ยินนะ่ยมันห่างกันขนาดนั้นอีกที่หนึ่งก็คือสถานที่พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมจักรณนะป่าอิสิปตนะมฤุกขายาวันเนี่ยนะสถานที่พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมจักรเนี่ยต้องเป็นที่เดียวกันคือที่ป่าอิสิปตนะมรุกขายาวันส่วนที่ประสูตรไม่ไม่จําเป็นอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยประสูตรที่เมืองอะไรนะประทับประสูตรที่ป่าสารวโนทยานใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษ ป่าอะไรนะสวนลุมพินีวันพระองค์ประสูติที่ลุมพินีวันแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะประสูติที่ไห น, น, นที่ป่าอิสิปตนมฤุกขายาวันนะพระพุทธเจ้า ก, นะกัสปะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะประสูติที่ป่าอิสิปตนมฤุกขายาวันแต่แสดงพระธรรมจักรที่เดียวกันวันสถานที่ทํามประกาศพระธรรมจักเนี่ยนะก็ละเลิกได้เธอว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระพุทธเจ้า วิปัสสีสิกีเวสภูกะกุสัมทกโกนาขมานะกัสปะพระพุทธเจ้าของเราและพระเสียริหัมเมตรัยเนี่ยนะพระองค์ก็จะมาประกาศพระธรรมจักรสูตรแรกเนี่ยนะสถานที่เดียวกันนั้นก็ทรงจําธรรมจักรนี่ใช้ได้กัอีกหลายชาติใช่ไหมน่าจํำนะธรรมจักรเนี่ยนะรู้เรื่องได้ยังรู้นี่มันเดือนเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยหลอกพระหลอกเจ้าไม่ได้นะบาปปวารณาและทําไม่ได้ขาดทุน เขบอกว่าพระธรรมจักเนี่ยนะสถานที่ประกาศถ้าธรรมจักใครที่ทรงจําธรรมจักได้โอสถานที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็คือถ้าใครที่จําได้แล้วเข้าใจเนื้อความได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะแหมเราลองระลึกดูนะว่าเนื้อหาสาระเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนเนี่ยก็แสดงอย่างนี้พระพุทธเจ้าองค์ที่จะมีต่อไปก็แสดงอย่างนี้แล้วก็เข้าใจพระสูตรนี้เป็นอย่างดีเนี่ยนะจะได้อัทธรสขนาดไหนนะจะได้ความรู้ความเข้าใจ ขนาดไหนเดี๋ยวซ้อมมอให้ดีเดี๋ยวไปใหม่นะคุณมาริวัลนะครั้งที่แล้วก็ไปนั่งสวดธรรมจักกันตั้งร้อยรอบเลยนะมาไปเดี๋ยวไปสวดใหม่ดูที่ว่าจะเป็นยังไงะระลึกว่าพระพุทธเจ้าองค์กรองคพระองค์ก็มาแสดงตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปก็แสดงตรงนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็แสดงตรงนี้แล้วก็แสดงอย่างนี้เนื้อหาเป็นอย่างนี้พยายามกําหนดจดจำเนี่ยนะความทําความเข้าใจเนื้อหาอัตตสาระของพระสูตรให้เต็มเปี่ยมให้บริบูรณ์ให้ดีๆก็จะไปะระลึกถึงให้ได้นะนี่ ส่วนอีกที่หนึ่งก็คือสถานที่เป็นที่ประดิษฐานบันไดครั้งที่พระองค์เสด็จลงจากเทวโลกณนะ์กรุงสังกัสรนครเนี่ยนะสังกัสรนครเนี่ยไปยากยากเนี่ยนะไปยากมากเขาต้องไปนอนอีกที่หนึ่งแหละนอนที่เมืองอะไรนะเมืองกาญปูใช่ไหมไปยากมากก็เดินทางไกลามากเนี่ยนะไอ้เมืองสังกัสรนครกว่าจะได้ไปแต่ละครั้งเนี่ยยากแท้เนี่ยนะคนจัดทัวร์เขาไม่ก็ยอมง่ายๆหรอกสังกัสรณ์มันไปยากแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรในละเวกนั้นทั้งนั้นอ่ะนะ ไม่ค่อยมีอะไรเดินทางถนนก็ไม่ดีแต่ว่าสถานที่สังกษานครเนี่ยถือว่าเป็นที่ที่พระองค์ลงจากเทวโลกเนี่ยนะถือว่าเป็นที่เดียวกันพระพุทธเจ้ากักุุันท่าเสด็จลงจากเทวโลกป้าอันแรกเนี่ยนะพุทธบาทข้างขวาที่เหยียบลงพื้นดินเนี่ยคือสถานที่ตำแหน่งเดียวกัน พระพุทธเจ้าโกโนาคามะณกัสสะพระพุทธเจ้าของเราก็ลงจากเทวโลกก็ประทับยืนที่เดียวกันพระพุทธเจ้าสีอริยเมตตยะที่จะตรัสรูข้างหน้าก็มาประทับพระพุทธบาทลงณพื้นที่เดียวกันนะนะพันสถานที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเจติยสถานที่พระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องมาใช้เหมือนกันอีกที่หนึ่งก็คือที่ตั้งแท่นปรินิพานเนี่ยนะที่ตั้งพระแท่น ที่ตั้งพระแท่นตรงนี้เนี่ยคือที่ไม่ใช่ไม่ใช่เตียงที่พระองค์ปรินิพานนะที่ตั้งพระแท่นตรงนี้คือพื้นที่ตรงไหนตั้งเตียงอะแท่นตั้งเตียงอะที่ที่วัดเชตาวันเนี่ยที่ตั้งเตียงเนี่ยจะต้องอยู่ในที่เดียวกันที่วัดพระเชตาวันไอปรินิพานเนี่ยเขาวงเล็บมาเองคือคือหมายถึงสถานที่วัดเชตวันเนี่ยนะตรงพระคันทกุตีเนี่ยตำแหน่งที่ตั้งเตียงหรือที่ตั้งเตียงพระพุทธเจ้าเนี่ยสีขาเนี่ยต้องตำแหน่งเดียวกัน ส่วนซุ้มประตูเนี่ยนะก็ซุ้มประตูด้านหน้านี้เป็นซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกครั้งพระวิหารอ20อุสภะของพระทศพลอากาศปทศพลบัดนี้วิหารนี้ก็ยังปรากฏว่าซุ้มประตูอยู่ด้านหน้ า, นาไอ้มือแม่น้ำอจิระวะดีเนี่ยนะแม่น้ำเราเราเห็นเวลาที่ขึ้นไปบ้านบนบ้านอนาถ บ, บินทิกาเศรษฐีมองไปทางทิศอีกทิศหนึ่งนะประมาณทิศทิศละทิศเหนือใช่ไหมจะมองเห็นแม่น้ำไหลเห็นทรายเห็นทราย เห็นเหมือนกับแม่น้ําี่เรียกว่าแม่น้ําอัจิรวดีอะแม่น้ําอจีรวดีเป็นแม่น้ําที่นางนะภิกษุณีชื่อว่าปตาจาระนะพาลูกอุ้มลูกข้ามไปเพราะน้ําอันนั้นแหละเรียกว่าแม่น้ําอัจีรวดีแม่น้ําอัจิรวดีเนี่ยแม่น้ำเนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยนะแม่น้ําเนี่ยทิศทางเส้นทางน้ำเนี่ยไม่ได้แน่นอนตลอดไปบางครั้งก็ไหลอ้อมเมืองเนี่ยนะไหลอ้อมเมือง อย่างเช่นสมัยพระพุทธเจ้าพระนาวัตส ป, ปะแม่น้ําเนี่ยไหลอ้อมเมืองประชาชนเมืองก็เลยใช้แม่น้ำนี้กันค่อนข้างสะดวกถึงซุ้มประตูด้านหน้าแล้วก็ซ้อก็เกิดสะใหญ่ขึ้นมาเป็นท่าที่ราบลึกเป็นสถานที่ที่น่าอาบน้ำมากมีท่าน้ําอยู่ที่หนึ่งหน้าอาบมากน้ําใสเย็นสดเป็นหน้าเป็นท่าน้ําที่น่ารื่นรมมีทรายเนี่ยเสมือนแผ่นเงินหรือคำว่าหล่นเกลือนแยกกันออกเป็นส่วนๆอย่างนี้ ที่ท่าน้ําเหล่านั้นเนี่ยนะก็แบ่งท่าออกเป็นว่าท่าน้ําตรงนี้เนี่ยเขาก็แบ่งตามบรรณะนะตรงเนี้ยพระราชาต้องพระองค์ส่งน้ําตรงนี้ชาวเมืองทั้งหลายอาบน้ําตรงนี้ภิกษุสงฆ์นิมนต์ส่งน้ําตรงนี้พระพุทธท่าที่พระพุทธเจ้าส่งเนี่ยอยู่ตรงนี้เขาจะแยกที่อาบน้ําเนี่ยนะก็เรียกว่าท่าน้ํา